แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าขยอบขวัญตามไปอยู่ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ส่งมาเธอเล่าว่าเธอชื่อมดปัจจุบันเธอยังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวแถวย่านชานเมืองวันนี้มีเรื่องที่สยดสยองและน่ากลัวที่เธอเจอกับตัวมาเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่า เธอมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพลอยพลอยกับเธอเสนิทกันมากเธอไม่จะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆจนเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเธอก็บังเอิญได้เข้าคณะเดียวกันแต่ว่าอยู่กันคนละหอพักเท่านั้นในช่วงแรกของการรับน้องกว่าจะกลับถึงห้องแทบจะล่ากสังขารเข้าไปถึงหอพักแทบไม่ไหวอย่าว่าแต่จะล่ากสังขารเลยเอาจริงๆคือจะไปอาบน้ํายังรู้สึกว่าร่างกายนี่ยังไม่อยากจะขยับเลยมีอยู่วันหนึ่งช่วงวันเสาร์อาทิตย์ รูเมดของพลอยไม่อยู่เขากลับบ้านพลอยก็ได้ชวนเธอให้เป็นนอนเป็นเพื่อนพลอยไม่อยากนอนคนเดียวเธอก็ตอบตกลงไปเพราะว่ากลัวพลอยจะเหงาพ่อมาถึงหอพักของพลอยตอนที่พลอยจะไปอาบน้ำพลอยได้บอกเธอให้ไปเป็นเพื่อนหน่อยเพราะห้องน้ำที่หอมันเป็นห้องน้ำรวมเธอก็ไม่ได้คิดอะไรไปก็ไปสงสัยว่าพลอยคงกลัวเวลาอาบน้าคนเดียวระหว่างที่เธออาบน้าเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกาลังซักผ้าอยู่ สงสัยพลอยอาบน้ำเสร็จแล้วเอาผ้ามาซักมั้งเพราะที่หอพักนี้ในช่วงวันหยุดนักศึกษามาจะกลับบ้านกันหมดพออาบน้ำเสร็จเธอก็เดินออกมาจากห้องน้ำซึ่งเธอไม่เห็นคนอยู่ในห้องน้ำอีกห้องเลยเธอก็เลยเรียกพรอยพลอยพลอยอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอเธอไม่ได้ยินเสียงตอบจากพลอยเธอก็ได้แต่คิดว่าสงสัยพลอยจะอาบน้ำทำอะไรเสร็จหมดก็เลยเข้าห้องไปแล้วมั้งเธอก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องของพลอย เธอเห็นพลอยยืนหันหลังอยู่ตรงระเบียงอ้าวพลอยอาบน้ําเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นบอกเราเลยชเชอะเงียบไม่มีเสียงตอบจากพลอยพลอยก็ยังหันหลังอยู่อย่างนั้นตรงระเบียงไม่ได้เปิดไฟเธอจึงมองเห็นหลังพลอยลางๆเป็นเงามืดแต่คุ่มตะคุ่ ม, มเห็นสรงผมซอยสั้นๆคล้ายๆผู้ชายจนบางคนคิดว่าเป็นทอมเธอ ย, ยังนึกแอบขำอยู่เลยว่าไปยืนทําอะไรตรงนั้นมืดๆนี่พลอยทำไมอาบน้ําไว้จังละ่ะ เมื่อกี้พลอยซักผ้าด้วยเหรอทั้งอาบน้ำซักผ้าเสร็จไว้นะเนี่ยเธอคุยกับพลอยแต่พลอยกลับไม่ตอบเธอก็ก็ก็เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นมดมดอยู่หรือเปล่าเสียงนั้นฟังแล้วคุณคุณ้นเธอจึงถามกลับไปว่านั่นใครอะพอยไงแล้วมดล็อกประตูทําไมอ่ะเสียงพลอยถามต่อเอาแล้วไงพลอยเป็นคนเคาะประตู และตรงระเบียงคือใครอะเธอตกใจกลัวสุกขีดจึงรีบเดินไปเปิดประตูเห็นสภาพของพลอยที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จกำลังหนาวสัน่นเธอนีช็อกไปเลยแต่รู้สึกว่ายังไม่ควรพูดอะไรตอนนี้เงียบไวซะดีกว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ้าวพลอยขอโทษนะเราก็นึกว่าพลอยอาบน้ำเสร็จแล้วเราเลยขึ้นมาก่อนอืมไม่เป็นไรหรอกมดพลอยบอกพร้อมๆกับเดินเข้ามาในห้องเธอได้แต่สงสัยว่า แลเงาที่ระเบียงละ่ะเป็นใครกันแน่เธอได้ตัดสินใจหันไปมองที่ระเบียงอีกทีที่เธอเห็นพลอยยืนหันหลังให้ผลก็คือเงานั้นหายไปไหนเสีแล้วเธอได้แต่บ่นกับตัวเองว่าเธอต้องตาฝาดแน่ๆมดเราคันหลังอะเกาหลังให้หน่อยสิพลอยพูดขึ้นมาหลังจากเข้าห้องมาได้ไม่นานครูบอกให้เกาหลังมึงไม่ได้ยินเหรอเสียงของพลอยเปลี่ยนไปเป็นเสียงของผู้ชายแล้วก็ตะอใส่เธอ เธอขนลุกเกรียวเธอตกใจมากรีบไพรออกมาพรอยหันหน้ามาหาเธอด้วยสีหน้าที่แดงเข้มแววตาดุดันไม่กระพริบตาจ้องมองมาที่เธอเธอรู้สึกกลัวมากๆและรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่พรอยแน่ๆพรอยไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้เธอพยายามวิ่งหนีออกจากห้องแต่ร่างของพรอยก็กระโดดมาขึ้นคล่อมเธอไว้พร้อมกับบีบคอเหมือนจะพยายามฆ่าเธอให้ตายคาเมื อ, องกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย เสียงของผู้ชายออกจากปากของพลอยไม่ไม่นะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้ว ย, ว ย, วยเธอรู้สึกเหมือนเธอกําลังจะขาดอากาศหายใจตายเธอพยายามดิ้นหนีจนหลุดจากมือของพลอยแล้วรีบวิ่งลงมาข้างล่างหาป้ายามที่เฝ้าห อ, อยู่ด้านล่างป้าป้าช่วยด้วยป้าช่วยหนูด้วยป้าป้าเพื่อนหนูเป็นอะไรไปไม่รู้ว่าป้าจู่ๆก็บีบคอหนูมันจะฆ่ากันให้ตายอ่ะป้าช่วยด้วย เธอบอกป้ายามพร้อมสีหน้าะหนกตกใจสุดทีอ้าวว่าอย่างไงนะป้ายามถามด้วยความตกใจป้าช่วยเพื่อนหนือด้วยพลอยเป็นอะไรไปก็ไม่รู้พร้อมทั้งวิ่งขึ้นไปบนห้องอีกครั้งป้ายามก็ได้วิ่งตามเธอขึ้นไปพอเปิดประตูห้องพลอยเขก็ไปสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธออึง้งคือพลอยกำลังนั่งทาแป้งหวีผมอยู่ที่หน้ากระจกที่โต๊ะเครื่องแป้งพลอยคนที่กาลังบีบคอเธอหายไปไหน เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาไหนล่ะป้าเอ่ยถามเธอคือเมื่อกี้เพื่อนหนูเขามีอาการ แ, แปลกๆจริงๆนะป้าเธอพูดเบาๆด้านหลังของป้าเออเราสองคนมา น, นี่เลยมาไปกับป้าทอยเดินออกมาจากห้องอย่างงงๆไม่เหมือนกับทอยที่กําลังพยายามจะฆ่าเธอคนเมื่อกี้เธอได้แต่เดินเกอกติดป้าและคิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะเมื่อกี้พอมาถึงตรงเก้าอี้ของป้ายางป้าก็บอกว่า คืนนี้นั่งเป็นเพื่อนป้าอยู่ตรงนี้แหละเนอะไม่ต้องขึ้นไปนอนข้างบนหรอกอ้าวไงเป็นงั้นละป้าเธอถามกลับก็เราจะไปนอนหลับได้ยังไงเขานะ่ยคอยจ้องจะเอาตัวเราไปอยู่ด้วยเนาะป้าบอกพร้อมกับมองมาทิ่เธอเกิดอะไรขึ้นเหรอคลอยถามด้วยสีหน้าที่งุนงงพูดง่ายๆก็คือเมื่อกี้ที่หนูเจอป้าเชื่อว่าหนูโดนนะแล้วป้าก็เล่าต่อว่าห้องนั้นนะ่ะเมื่อก่อนช่วงตอนปิดเทอม มีผู้หญิงเจ้าของห้องนั้นแอบพาแฟนผู้ชายมานอนในห้องโดยไม่ให้ใครรู้เพราะช่วงปิดเทอมคนแทบไม่มีเหลือในหอเลยจึงไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอใกล้จะเปิดเทอมพวกป้าๆแม่บ้านมาทําความสะอาดกันก็ได้กลิ่นเน่าเหมือนหนูเน่าชวนมาจากห้องนั้นพวกป้าๆนี่ก็เปิดประตูเข้าไปที่ไหนได้อะเจอศพผู้ชายนอนตายอยู่บนที่นอนเจ้าหน้าที่ตํารวจสันนิษฐานว่าน่าจะตายเพราะว่าขาดอากาศหายใจ สภาพร่างกายเหมือนไม่ได้โดนทําร้ายอะไรผลการตรวจบอกว่าน่าจะเกิดจากการเอามอนอุดปากเวลานอนหลับหลังจากนั้นเวลาใครได้พักที่ห้องนั้นก็จะมีบางคนที่จะได้เจอลักษณะแบบที่หนูเจอนี่แหละห ม, หมายความว่ายัไงไรครับป้ลาลักษณะแบบที่หนูเจอแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เจอเหรอเธอถามขึ้นมาด้วยความไม่เข้าใจไม่ใช่ทุกคนหรอกคนส่วนใหญ่ที่เจอจะมีลักษณะรูปร่างผมยาวคล้ายหนูนี่แหละ เพราะแฟนของเขาก็ลักษณะคล้ายๆหนูเขาคงแค้นมากึอยากเอาไปอยู่ด้วยพอจบประโยคของป้าเธอเงยหน้าขึ้นมองตรงไปที่ห้องของทรอยพอดีเฮ้ยผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ที่ระเบียงสายตามองมาทางเธออย่างเครียดแค้นเธอเรีบหันหน้ากลับมาที่ป้าทันทีพร้อมบอกว่าป้าป้าหนูกลัวแล้วงั้นคืนนี้หนูนั่งอยู่กับป้าก็ได้จ้ะเธอเรีบหลับตาและไปนั่งใกล้ๆป้าทัน ท, ท, นทีเธอได้แต่นั่งนึกในใจสาธุ เราไม่ใช่แฟนกันนะอย่ามายุ่งกับเธอเลยสาธุสาธุหลังจากคืนนั้นต่อให้พลอยออนวอนให้เธอเป็นนอนเป็นเพื่อนด้วยยังไงเธอก็ไม่มีวันไปเด็กค่ะผีก็อยู่ส่วนผีสิคนก็อยู่ส่วนคนแยกกันอยู่คนละส่วนอย่ามายุ่งกันอีกเลยเรื่องของเธอก็จบลงแค่นี้ทุกวันนี้ก็ยังมีผวาผวาอยู่บ้างเลยเธอบอก หากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ